เรียบร้อยแล้วในขนาดนี้ก็เป็นเวลา12 00. โมงครับ58นาทีวันนี้เป็นวันวันพุทธที่9เดือนเดือนตุลาเนเราไม่จำไม่ได้วันวันพุทธที่9 วันมันมันพุธที่เก้าเดือนตุลานสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดพวกคณะนี่บอกวันหลวงพ่อโนมานะวันหลวงพ่อกับอาจารย์โควิศคุณโตแหลแล้วกับคุณนุกพนน์ับใครสมภพนะอันนี้อะไรนะี่ะ ศีลษาเดินทางมาจากกรุงเทพมาที่ศีลษาหลวงพ่ออาจจะมาแล้วไม่รู้ก็ได้เพราะว่าหลวงพ่อยังไม่เคยรู้จากทางนี้เนือบางทีอาจจะมาแล้วก็ไม่รู้เพราะคุณพิมลเคยพามาบ่อยครั้งนี้แต่ไม่รู้เมื่อมาถึงที่บ้านเป็นยมแม่เ น, เนื่อมาถึงบ้านพ่อแม่คุณแอยก็เลยมาสั่นพรทหารกลางวันที่นี่ เมื่อสันพัฒหารเสร็จแล้วก็มีการพูดคุยกันหรือว่าการให้ข้อคิดกันแต่ว่าแสดงธรรมะก็ได้หรือว่าคุยกันให้สนุกสนุกก็ได้คนเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีจุดสำคัญอยู่จุดหนึ่งไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ไทยหรือจีนจะเป็นโนชาติไหนภาษาใดาก็ตามคือต้องการควรม่มีทุกเดี๋ยวไม่ต้องการทุก แล้วก็ความที่ว่าไม่อยากตายว่าอย่างนั้นพูดภาษาธรรมธรรมะกับว่าได้หรือภาษาบ้านพื้นเมืองแล้วก็ว่าได้ที่พูดนี่ไม่ต้องอาศัยตำราเพราะว่าอาจารมาไม่เคยเรียนตำราเขียนหนังสือไทยไม่เป็นนะไม่ได้เรียนตัวหนังสือไทยไม่เคยเลยจึงว่าพูดภาษากลางไม่เป็นภาษาทางกลางภาษากรุงเทพไม่เป็น แต่รู้สึกว่าคนเกิดมาแล้วต้องกลัวตายหนึ่งกลัวทุกข์หนึ่งต้องการอยากมาเกิดเป็นคนหนึ่งถ้าตายไปแล้วหนืออยากเป็นเทวดาหนึ่งแล้วก็ต้องการเป็นคนสวยรวยทรัพย์เนี่ยเป็นอย่างนั้นความต้องการของคนซึ่งเหล่านี้แหละที่เราไม่รู้จักเพราะว่าความจำเป็นบีบคั้นเราความจำเป็นมันมีอยู่ที่ไหนคือที่มันไม่รู้นั่นเอง วันนี้ก็มีคุณโตอ่านหนังสือเรื่องภาษารีบุตร อ, อะไรเนี่ยคนถามปัญหาเรื่องภาษารีบุตรหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถามพระพุทธเจ้าบ้างการแก้ปัญหานั้นมันเป็นการแก้ตามอุ ด, ดมการณ์หรือบางทีอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าแก้อย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะฟังมาผิดก็ได้ฟังถูกต้องก็ได้เพราะมันหลายส่วคนมาแล้วเนี่ยถามคุณแอลก็ได้มนาะ พ่อใช่ไหมเนี่ครับคุณพ่อเนี่ยพูดกับแอวคําแรกที่สุดแอลจําได้ไหมจําไม่ได้เนี่ยได้อายุ ก, กี่ปีแล้วลนี่ยแอลอายุกี่ปีแล้วถามนั่นนะ่ะเนี่ยสามสิบห้าปีก็ยังจําไม่ได้เรานึกนึกถึงว่าสังขั ญ, ญานายครั้งที่ห้านี่พระพุทธเจ้าตายไปแล้วลึนนิพานไปแล้วจะว่ายังไงก็ได้ ได้450ปีถ้าคิดระยะชั่วคนตายอายุ80ปีนี่ประมาณกี่ชั่วคนเนี8540เียกว่า5ซั่วคนแลวอันนี้สอนตัวเองยังไม่ทันตายเนี่ยเ่อก็ยังจำไม่ได้นี่จะเอาความจริงที่ไหนมาพูดกันอันนี้ก็เพื่อเป็นการเตือนจิตสะติใจหรือว่าแลกเปลี่ยนคำพูดซึ่งกันและกัน คิดว่าคุณโยมคงจะได้ศึกษามากกว่าอาตมานะขอได้ศึกษาแน่นอนลนะเพราะอาตมาไม่เคยรู้เรื่องหนังสือแต่ความจริงนะ่ะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับศาสนาก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักถ้าเรารู้จักเราจะถือว่าศาสนาก็ได้คำว่าศาสนานี้คงจะรู้จักดีแปลว่าคำสอนคำสอนใครมีความรู้เรื่องอะไรที่ไหนก็นามาสอนคนนั่นเอง ให้หละชั่วทำดีเรียกว่าศาสนาอันนี้เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ยังไม่รู้จักว่าศาสนาเนะ่ยคืออะไรยังไม่รู้จักเลยเมื่อมาทราบซึ้งตึงใจเมื่ออายุในระยะ46ปีนี่แหละเกิดเข้าใจว่าศาสนาเน่คือตัวขนนี่เองเลยไม่เข้าใจว่าคือพระพุทธลูกหรือโบสถิหารเจดียอ น, นั่นก็เปลี่ยนศาสนาเช่นเดียวกัน แต่เมื่อมาพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วศาสนาคือตัวคนทุกคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนาจะเป็นคนไทยก็เป็นศาสนาเป็นคนจีนก็เป็นศาสนาให้ว่ารูปล้างหน้าตาแข้งขามือเท้าเป็นคนแล้วจะเป็นชนศาสติไหนก็าตามนั่นเด็กคือตัวศาสนาศาสนานั่นอาศัยการเห็นหูฟังเข้าสองทางนี่มากที่สุดตาเห็น เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จําไว้สิ่งที่มันดีสิ่งที่ไม่ดีคนเลยไม่เอามาใช้บัด น, นี้ฟังคำสอนของบุคคลที่รู้ใครรู้ก็เอามาสอนแต่สอนให้ละชั่วทำดีเข้าทางหูเข้าตาเข้าหูทางจมูกทางลเนีบอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องสาคัญที่สุดคือตากับหูนี่เองบัด น, นี้ตัวพุทธศาสนาคือตัวสติตัวปัญญาหรือตัววิญญาณหรือจะว่ายังไงก็ได คือตัวที่มารู้สึกตัวนี่เองตัวที่มารู้สึกตัวนี่คือตัวนี่เนี่ยไม่ใช่ตัวอันนี้ก็จะว่ากันแต่คือตัวที่เรารู้กําลังเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีไหนก็ตามเช่นพิษตาหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละรู้สึกอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมคาว่าปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตัวเองนี่เองลักษณะความคิดมันเป็นกิริยา ทาทีของมันยังไงก็ให้รู้เท่าทันเหตุการณ์อันนี้เรียกว่าพุทธศาสน า, าถ้าเป็นาศาสนาพุทธนะวันหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งแล้วได้อ่านหนังสือคุณโตออกมาให้มนุษย์เกิดมาในโลกนี้เป็นผู้มีบาปถ้าหากใครฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูแล้วพระเยซูจะมาปลดปล่อยหรือเปลือง บาปให้จากมนุษย์แล้วพระเยซูนั้นน่ะจะเมื่อเมื่อมนุษย์ได้ตายไปแล้วจะมารับอุดมจิตวิญญาณขึ้นไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอะไนั่นอันนั้นก็จริงแต่ว่าคนที่ไปสอนน่ะพระผู้พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนอาจจะรู้ก็ได้หรือไม่รู้ก็ได้อันนี้พูดความจริงสู่กันฟังไม่มีอะไรจะมาเสนอสนองตอบแทนนอกจากจะพูดความจริงให้ฟังเท่านั้นเองความจริงอันเนี้ แต่มันมีในคนทุกคนจะถือว่าเราเป็นพระเยซูก็ได้เป็นศาสนาคิดก็ได้จะเป็นศาสนาไหนก็ได้มันเป็นเรื่องละทิเป็นเรื่องที่สมมติขึ้นมาคำว่าพุทธศาสนาก็ได้พุทธศาสนานี้ท่านก็สอนว่าสุธิอสุทธิทธป จ, จตังนานโยอัญังวิโสทาเยะธรรมบาปเองย่อมเศ้ามองเองไม่ทําบาปเองเห้มหมดจบเอง ความหมดจดและความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตนคนอื่นทำให้ไม่ได้ทาไอยางไงแต่เรื่องศาสน า, าคิดนั้นต้องให้พระเยซูมารับเอาในตึงอันนี้ก็เลยจัดสรูปเข้าเนื้อหาสาระที่จะเอาไปใช้กับชีวิตของเราจริงๆทุกคนไม่ต้องการความทุกข์และทุกคนไม่ต้องการคนตายต้องการแต่ความไม่มีตายกันเนี่ยต้องการแต่ควมไม่มีทุกข์ น, นั่นหอะแล้วอยู่ที่ไหน ก็ไม่รู้อีกแล้วเราทำบุญก็ตามรักษาสิ่งก็ตามทำกรรมาฐานก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละสรุปแล้วก็รวบและตัดใจความให้มันสั้นคือเรามารู้ตัวเรานี่แหละรู้ตัวเราแล้วมันจะเป็นยางไมันจะคอยทะนุถนอมเข้ามามันจะคอยเก็บเข้าเก็บเข้ารู้มากเข้ามากเข้าความรู้อันนั้นจะทำอะไร มันจะไปทำความไม่รู้ให้ออกไปเราต้องการความไม่มีทุกข์ก็เพราะความไม่รู้นั่นเองเราต้องการความไม่อยากตายก็เพราะเราไม่รู้นั่นเองเราต้องการบุญก็เพราะความไม่รู้นี่เองเรากลัวทุกข์กลัวสุขอะไรทั้งหมดก็เพราะความไม่รู้นี่เองความไม่รู้นี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สซ้ำขยี้มาทำความรู้สึกตัวให้มาก เมื่อเราทำความรู้สึกตัวให้มากเรความไม่รู้มันจะถอยหนีหรือออกหนีอุปมาให้ฟังเหมือนกับแก้วน้ำที่เรามองเห็นแก้วน้ำนี่ว่ามันไม่มีอะไรและมันว่างๆไม่มีน้ำนะเราเทน้ำเข้าไปอากาศมันหนีแต่มันมีอากาศอยู่ในขวดเป่าเราบัดนี้ถ้าน้าเข้าไปไล่อากาศข้างในหนีหมดแล้วก็แสดงว่าน้าเข้าไปบรรจุในขวดหมดแล้ว อันนี้ก็สมมุติเอาเองเมื่อเราทําความรู้สึกตัวของเราให้ตื่นตัวรู้ตัวอยู่เสมอความไม่รู้ก็หายไปหายไปเมื่อความไม่รู้หายไปแล้วก็เหมือนกับที่เราอยู่ที่สว่าคมีใครเดินไปมาผ่านตาก็เห็นมีคําพูดผ่านหูเราก็ได้ฟังใจความเคล็ดลับ น, น้อยๆท่านหนึ่งคือว่าคนบบราณท่านสอนเอาไว้ว่าสวรรค์อยู่ในอก นั้นลุกอยู่ที่ใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจเท่นนไม่ไกลถ้าหาว่าเราเข้าใจแล้วพระนิพพานไม่ใกลเดี๋ยวนี้พระนิพพานเราเข้าใจว่าอยู่ไกลไกสวรรค์ก็อยู่ไกลไกหรือว่าผู้ที่ถือศาสนาชิกก็ให้พระผู้เป็นเจ้ามารับอุดงจิตวิญญาณอันนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่รู้ตัวเราถ้าหากเรารู้ตัวเราพระผู้เป็นเจ้าคือตัวรู้นั่นเอง คือคนที่รู้นั่นเองพระผู้เป็นเจ้าใครเป็นคนรู้ถ้าพูดตามภาษาธรรมมักเรียกวิญญาณหรือจะว่าปัญญาหลอบรู้วิญญาณก็แปลว่ารู้แบดนี้คนโบราณก็ตามหรือสมัยนี้ก็ตามวิญญาณก็ต้องตายแล้วล่องลอยไปเกิดที่นั้นที่นี้ไปตกนรกบ้างไปเป็นเทวดาบ้างแสดงว่า ยังไม่เข้าใจคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจริงคำว่าวิญญาณเปวารูน้นี่ไม่ใช่วิญญาณแวตายออกจากร่างนี้ไปเข้าร่างอันเรื่องนั้นมันมีมาก่อนพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูที่สอนกันมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันเป็นยังไงจริงที่เจรนาดูไปศึกษากับพวกตามจนได้สมาบัติแป เข้าสารออกสารได้ธครมะคำว่าเข้าสารออกตารนี่เราก็ไปติดตํานายอีกแล้วเป็นอย่างไ้คําว่าเข้าหมายถึงที่เราเข้าไปดูไม่ใช่เข้าไปแล้วเหาะได้หรือว่าเข้าไปแล้วไปสงบอันนั้นก็เป็นการเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่อาตมาเข้ามาบ้านคนโยมเนี่ยเข้ามาก็ตจองรู้มีโต๊ะอยู่ที่นั้นมีเก้าอี้อยู่ที่นั้นแล้วก็ที่สันอาหารที่นั้นแล้วก็มาให้อาตมานั่งที่นี้เข้ามารู้อันนี้เท่านั้นเอง แปลว่าเข้าไปไม่ใช่เข้าไปห่อไปอันนั้นก็ก็ถูกเหมือนกันแต่อาตมาพูดนี่คืออาตมาไม่ได้สับแสงคือไม่รู้าภาษาอินเดียอาตมาไม่รู้และภาษาที่คนศึกษาแล้วเรียนมากๆอาตมา ก, ก็ไม่รู้เพียงรู้แต่ว่าเข้ามาบ้านนี่ก็แปลว่าเข้ามารู้มีประตูอยู่ที่นั้นก็มีบันไดอยู่ที่เข้ามารู้อันนี้แปลว่าสารเข้าไปรู้เข้ามาลู่ที่แรกก็สมมติอะนะ รู้ตัวเรากําลังเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดก็รู้อันนี้เปลว่าสารที่แรกหรือเป็นปสมมาแรกเป็นปสมมาเลิกก็ได้อย่างที่อาตจจมาเข้ามาในกอดตรงรู้รั้วบ้านก่อนเอารถจอดที่นี่แล้วก็เข้ามาที่นี่เข้ามานางในห้องนี้แล้วก็มาสั่นอาหารที่นั่นเข้าไปห้องน้ําที่นั่นอันนี้เปลว่าเข้าไปรู้เดี๋ยวนี้สารก็เช่นเดียวกันเข้ามารู้เรื่องรูปเรื่องน้ํานี่ เข้ามารู้เรื่องรูปธรรมนามธรรมเข้ามารู้เรื่องพวกขังอเนกจังอนัตาตาแล้วก็มารู้เรื่องสมมุติรู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปรูบุญอันนี้เปโอะเข้าไปรู้ไม่เซ่วเข้าไปรู้ที่ไหนคือว่าตัวสติสมาธิปัญญาที่มันตื่นตัวรู้ตัวบังไว้บันนี้ตัวนี้เข้าไปไล่อันนั้นออกไปก็เลยรู้รู้ของจริงแทบไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปล่ผัน มั่นของถาวรถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาแนะนําก็ได้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาแนะนําก็ได้จะมีพระผูเ้เป็นเจ้าเย็นย่างที่ว่าพระเยซูจะมาเตือนให้ปฏิบัติตามก็ได้หรือว่าไม่มาเตือนก็ได้เพราะมันเป็นของจริงอยู่ที่ตรงนี้อันนี้เปาารียบศาลที่หนึ่งก็ได้หรือว่าเป็นปฐมมาเลิกก็ได้หรือว่าเป็นปฐมฌ า, านก็ได้ถ้าพู้ตามภาษาบ้านอตาตมาเนี่ยว่าซานที่หนึ่ง ขันแหละที่สุดอย่างนี้กานที่สองเมื่อเราทําความเคลื่อนไหวอันนี้ไปมากๆความคิดเรามันจะแวบขึ้นมาให้เราเห็นให้เรารู้ไม่ใช่ตาเห็นนะอันเห็นกับรู้นี่มันคนละอันกันรู้แต่มันไม่เห็นรู้อย่างที่อะไรที่เราคิดว่าหลวงพ่อว่าอยากไปที่ไหนพัทยาจิ คิดว่าอยากไปพัทยาพัทยาก็มีจริงแต่แต่ตมาไม่เคยเห็นแต่ได้ยินว่าซื้อพัทยาอือันนี้ก็เช่นเดียวกันคือจิตใจนี่มันรู้ได้แต่มันไม่เห็นรู้พัทยามีจริงรู้ว่าวิญญาณมีจริงแต่มันไม่เคยเห็นวิญญาณสักทีเลยเมื่อเราไปรู้พัทยาจริงจริงออกพัทยาเป็นอย่างนี้ตึกลานบ้านซองเป็นอย่างนี้มีคนลักษณะอย่างนี้เราก็เห็นแต่ว่าเราเข้าไปรู้ บัด น, นี้ตัววิญญาณของเราเนี่ยวิญญาณเปว่ารู้แล้วก็รู้วิญญาณของเราบัด น, นี้เขาว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเป็นอย่างเวทนาคือเจ็บแ้งเจ็บขาเจ็บหัวปวดท้องเขาว่าเวทนาสเสวยอารมณ์ทุกตุกนี่เราเข้าใจอย่างนั้นคําเวทนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรที่จะรู้เขาเรียกว่านามรูปไม่ใช่รูปนามนามมันเป็นรูปรูปความคิดขึ้นมาแต่มันเป็นทั้งนาม เป็นทั้งรูปเียว่านามรูปอันนี้เขาเรียกว่ารูปนามหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารเิญญาเขาปัดเอาตัวรูปออกไปเขาเรียกว่ารูปสี่หรือว่าจะว่ายังไงก็ได้คือเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี่แหละเป็นทั้งนามไม่เป็นทั้งรูปเมื่อมารู้ทราบซึ้งตึงใจสิ่งนี้แล้วสิ่งทั้งปวงนั่นแหละในโลก จะเป็นตึกล้านบ้านซ่องก่ตามมันเป็นวัตถุช น, นิดหนึ่งเสื้อผ้าเงินทองมันเป็นวัตถุชนิดหนึ่งต้นไม้ภูเขาเป็นวัตถุชนิดหนึ่งแม้ตัวของเราเองมก็เป็นวัตถุชนิดหนึ่งจิตใจที่มันนึกมันคิดมันก็เป็นวัตถุชนิดหนึ่งเราต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจอันนี้เป็นวัตสานเข้าไปรู้ทานเปนว่าเข้าไปหรือว่ายานก็ได้ถ้าพูดมันหลายเรื่องมันมากเลยวะ่ะ การจะพาหานะขนส่งก็ได้หรือว่าเข้าไปรู้ก็ได้แล้ะแต่คนจะตีจความหมายไปไม่เหมือนกันเป็นอย่างไนเมื่อรู้อันนี้แหละเราจะรู้เองว่าพระผู้เป็นเจ้าคือใครพระพู้เป็นเจ้าคือใครอยู่ที่ไหนพ่อของเราที่ตายไปแล้วอยู่ที่ไหนแม่ของเราตายไปแล้วอยู่ที่ไหนแต่ในขณะนี้เนี่ยท่านอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่ไหน เราจะรู้เองเห็นเองไม่ต้องไปถามใครคราวหนึง่งที่ไปศึกษากรรมฐานอาจารย์ถามก็เลยเอามาแก้ปัญหาให้ยโยมฟังชื่ออะไรคุณโยมคุณทวีนะเนี่ยก็ทุกๆุกค น, นฟังได้คุณโยมนี่ยอายุกีไหีแล้วนี่7เจ็ดสิบเอ็ออชื่อชื่ออะไรหันทอ ง, ทองจำให้มันดี เป็นเป็นมารดาคนเนี้ย่เป็นที่ทออฟังกันดีนะวันนี้อาจารย์ถามถามว่ามักพิกเผ็ดไหมถามโยมบ่ น, นมักพิกเผ็ดไหมเผ็ด อ, อกลือเค็มไหมโยมถามมาตอบให้ฟังไม่เค็ ม, ม, ม อ, อนำนำ้ำอ้อยน้ำตาลหวานไหมเกลือไม่เค็มนะเกลือไม่เค็มแต่นำ้ำอ้อยน้ำตาลหวาน อันนี้ก็แสดงตา ม, มความสิ้นเห็นอันนี้แหละปัญหาที่เรามีข้อสงสัยกันอยู่ทุกวันนี้บางคนก็ว่าหมักพริกเผ็ดมักพริกไม่ได้เผ็ดเลยในขณะนี้หมักพริกเราไม่รู้ว่ามีรสชาติเผ็ดยังไงไม่รู้อันนี้ไม่ใช่จะพูดให้อย่างนั้นเพื่อความเข้าใจนะถ้ามีคนถามอย่างนี้นะ่ะมักพริกยังไม่เคยได้มาถูกกับปลายลิ้นเราเราจะรู้หมักพริกเผ็ดได้ยังไง กินมาแล้วเมื่อวานนี่มันเผ็ดอ่าววานนี่จะเอามาพูดทําไมพระพุทธเจ้าท่านสอนปัจจุบันอัเดตอนาคตท่านปฏิเสธไปทั้งหมดเกลือมันเค็มก็มันจะเค็มทําไมเกลื อ, อยังไม่ได้ผูกกับลียนหรอกน้ําอ้อยน้ำตาลก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นความจริงที่เรารู้เอาสมมติโยมดูนะตั้งสติดูคิดตารู้สึกไ้มอ๋อรู้สึกไหมยโยม ตั้งใจทิพตาลงดูทิพย์แรงแรงรู้ไหมรู้ซึ่ว่ามันทิพตาอย่างรู้ไหมแต่ก่อนเเคยรู้กำหนดมันอย่างนี่มาบ้างไหมมันมันทิพตามาตั้งแต่ตัวเล็กๆห ล, ล, ลุดจากท้องแม่มกับทิพตามาเลยทําไมจึงไม่รู้เพราะเราปฏิเสธตัวเราไปเพราะเราไม่เคยปฏิบัติธรรมะที่ตรงนี้เองเอาโยมไปยังไงทิพตารู้ไหมหรู้มากไหม นี่ยหละไไหนคน น, น, นนั่นคืออันเนื่องจากว่าเราไม่ตั้งใจคือไม่ศึกษาที่ตัวเราหายใจรู้เนี่ยเมื่อพิบตาลูหายใจเขารู้แบบนี้บัดนี้มันคิดก็ต้องรู้ที่มันคิดมันก็ยิ่งละเอียดเข้าไปจับไม่ถูกมองไม่เห็นอันเราพิภตาหายใจนี่มองเห็นด้วยตาแล้วก็จับถูกด้วยมือตาเราอยู่แค่นี้เนี่ยเราก็จับถูกได้แต่มันคิดนะั่นเรามองไม่เห็นเลย จะเห็นได้เพราะเพราะโดยวิธีใดคือเรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองก่อนที่จะรู้ต้องทําความรู้สึกตัวที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันมันมองเห็นนี่เป็นวัตถุภายนอกที่พูดนีอันนั้นก็มีเหมือนการจะมองไม่เห็นเข า, าเรียกว่าเป็นวัตถุภายในเป็นอาการของภายนอกเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยอันนั้นก็เป็นลักษณะอาการของภายใน อันนี้ก็เป็นปรมัดภายนอกที่เรามองเอันนั่นก็เป็นปรมัดภายในที่ว่าปรมัดเจของสิ่งที่มีสมมุติบัญญัติขึ้นมาและปรมัตดบัญญัติขึ้นมาและมีอัถฐบัญญัติขึ้นมาและมีอริยะบัญญัติขึ้นมาแต่เราไม่เคยศึกษาที่ตรงนี้ดังนั้นการศึกษาและปฏิบัติธรรมะก็ปฏิบัติที่ตัวเราศึกษาที่ตัวเรา ถ้าปฏิบัติตัวเราแล้วศึกษาตัวเราแล้วนั้นแหละถูกต้องคือเป็นการปฏิบัติธรรมะจริงๆบางคนเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมะต้องไปรู้ผีรู้เทวดารู้เลขรู้บัตรรู้เบอร์ไปเลขจะออกเลขนั้นเนี่ยเข้าใจไปอย่างนั้นเนื้อพูดคุยกับเทวดาไปเนี่ยเข้าใจไปอย่างนั้นคุยกับผีเนี่ยแล้วก็ไปเห็นสัตว์นรลกเนี่ย อันนั้นมันมีจริงไหมเห็นไหมมันไม่เห็นคันไม่ไม่เห็นแล้วเป็นยังไงเขาว่าพูดอวดอุตลิมนุษย์สาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่มันไม่มีในคนนี่ว่าพูดอวดอุตลิมนุษย์สาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนท่านสอนที่มันมีในตัวเราคืออะไรคือมันเคลื่อนไหวไปมานี่เองจิตใจมันนึกมันคิดนี่เองอันนี้มีในคนทุกคน พูดแล้วผู้ที่มีปัญญารู้ทันทีนี่เป็นการปฏิบัติธรรมชิม้วชาญเดี๋ยวเข้าไปรู้เข้ามารู้ของจิงนนี่เองความทุกขเกิดขึ้นนอนไม่หลับทานอาหารไม่มีรสรสหวานก็ไม่หวานรสเผ็ดก็ไม่เผ็ดมันไม่อร่อยวะอย่างนั้นก็ได้นอนก็ไม่หลับใช่ไหมโยมถ้ามีคนพูดให้มันมันไม่พอใจก็นอนไม่หลับใช่ไห ม, ไม น, นั่นอันนั้นแบบนรกอะ ใกล้ๆนั้นลกคือความทุกนั่นเองบัด น, นี้ถ้าเรารู้เท่าทันเหตุการณ์นอันโต้งไม่พอใจมันอยู่ที่ไหนมันไม่มีเลยเขาเรียกว่าสังขารสังขารปุงเราจะมาให้สังขารปุงคืออ เ, เราต้องเข้าไปรู้เมื่อเข้าไปรู้แล้วสิ่งสิ่งนั้นเน่ะเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จกกัจ ก, ก, จกเอาชนะมันได้อันสอนอย่างนั้นไม่อื่นไกลเลย บัด น, นี้สวรรค์บัดเนี่ยที่เรานั่งทานอาหารกันมาเมื่อตะกี้บ้านหลวงพเดียวเมื่อกี้อันนี้ว่าอย่างไรเมือม่อกี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแล็สบายพูดกันคุยกันสนุกสนุกอันนั้นก็เป็นลักษณะสมบัติของสวรรค์น้อยๆมันต้องทําสวรรค์น้อยๆขึ้นไปมันจึงจะเป็นเมืองสวรรค์ใหญ่ขึ้นมาผลที่สุดก็เลยกลายจากเมืองสวรรค์ไปแล้วก็ต้องเป็นนิพพาน นิพพานคือความดับสนิทองดับสนิทมันเป็นอย่างไรเราต้องคอยดูจิตใจที่บันนึกมันคิดให้มันรู้จากมันรู้เท่ารู้ทันมันทีแรกมันจะไม่วางความคิดได้เพราะว่าวิญญาณกับสังขารมันใกล้กันบัดนี้นานๆเข้ามันจะเป็นคนละคนกันเหมือนกัแพกแปกหน้าหรือคนไม่รู้จากกันนี่เองพอได้มันรู้มันคิด วิญญาณก็แปลว่ารู้ปัญญาก็แปลว่ารอบรู้เขาว่าอย่างนั้นตำราแต่ตัวอาตมาไม่เคยรู้กับตำราเคยรู้ประสบการณ์กับเรื่องปฏิบัติจริงๆเขามาดูที่ตรงนี้แหละเมื่อดูข้าวมันคิดรู้จักมันทันทีเห็นรู้เข้าใจชัวรู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงรู้ข้าวรู้ออกมีหกรู้ด้วยกันถ้าจะพูดให้มาก ถ้าพูดน้อยน้อ ก, ก็มีสี่รู้พูดน้อยเข้ามาก็ต้องมีสองรู้รู้จักรู้จำพ่อแม่ปูยยย่ย่าตายายครูบาอาจารย์สอนมาก็รู้จักกรรู้จำแต่ไม่เห็นรู้แจ้งคือตัวเองเข้ามาที่รู้บ้านคุณโยมเดี๋ยวนี้โอ้โต๊อยู่ที่นั่นรู้จริงยัางฐานอาหารรู้แล้วจะเข้าไปไมันนี่ไม่ไม่จะถอนตัวออกมา ลู่เข้าลู่ออกถ้าลู่เข้าเดี๋ยมันคลิกเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวลู่เข้าไปมันปุงไปเขาเรียกว่าสังขารปุ่งแต่งครับบันไลู่ออกพอดีเห็นมันคลิกปุ๊บมันหยุดปั๊บทันทีถอนตัวออกจากกันเมื่อถอนออกจากกันแล้วมันจะสะบั้นตัวมันเองจะขาดออกจากกันเมื่อมันขาดออกจากกันเนี่มันก็แสดงว่าต่อกันไม่ติดเพราะมันตึงคนละขนกันแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสภาพหรือคําสอน ที่สอนกันทุกวันนี้ขวมจริงแล้วเอามาพูดกันน้อยแต่เอาสิ่งที่มันไม่มีรสแต่มันมีรสเฉพาะคนที่ไม่รู้รสหวานรสเปรี้ยวคือมันไม่รู้แต่เพียงคนอื่นมาเราอันนั้นเปรี้ยวอันนี้หวานแต่ตัวเองไม่เข้าไปกินลองดูอย่างที่ถามจริงเกลือเค็มเนือกเกลือไม่เค็มจะนําอ้อยน้าตาลมันหวานถานโยมท่านนี้ก็บอกหมักพริกมันเผ็ดเราต้องเข้าไปกินดูนะ เมื่อเราเข้าไปชินดีๆแล้วรสโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่พระเยซูสอนก็เช่นเดียวกันพุทธศาสนาสอนก็เช่นเดียวกันทุกคนสอนให้มีความสามารถกล้าหารไม่แต่กล้าหารสามารถไปลบไปเลวไปทุกไปตีกันไม่ใช่อย่างนั้นมีความสามารถกล้าหารเอาชนะให้ได้เป็นใหญ่ในตนให้มันได้ คันเอาสนะไม่ได้เป็นใหญ่ในตนไม่ได้ก็มีจต่กลัวอยู่อย่างนั้นเนี่ยกลัวตกนรกกลัวผีกลัวอะไรกี่ปาถะเมื่อเอาสนะมันได้เป็นใหญ่ในตนได้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรเราเป็นใหญ่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นที่พูดมานี่บางคนอาจจะเคยได้ฟังมาแล้วแต่ฟังบ่อยๆก็เข้าใจถ้าหากไม่เคยได้ฟังเอ๊พูดอย่างไงอย่างนี้ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยเข้าใจเป็น เนี่ยคิดศาสนาพระเยซูก็ไม่ได้สอนอย่างนีน้เพราะเราไม่ประสบเอาเองเพียงแต่ไปจําเอาตํารานะมาพูดกันเรื่องพระเยซูเขาก็พูดเรื่องของเขาเขาได้ประสบพบเห็นมาอย่างนั้นเราเพียงไปศึกษาลอกแบบเขามาเท่านั้นพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันเราไปศึกษาลอกแบบเขามาเท่านั้นไม่เอาตัวเองเข้าไปประสบทดลองดูสักทีเลย ความจริงในตัวก็เลยไม่มีที่ว่าเอาชนะตนไม่ได้เป็นใหญ่ในตนไม่ได้ก็เป็นธาตุของความหลงผิดเป็นธาตุของความไม่รู้ความไม่รู้เป็นรากเหง้าของบาปมากที่สุดท่าความรู้ก็เป็นรากเหง้าของบุญหรือของกุศลเนี่ยท่านว่าไงความรู้กับความไม่รู้เนี่ยมันตรงกันข้ามเหมือนมืดกับสว่างนั่นเองอ้าวพูดอนเนนี้เรียบพูดมาให้มันมีสำนวนเล็กๆในน้อ ย, อ ย, อยเท่านั้น บทนี้ก็จะพูดกันเพียงให้มันสั้นเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะเราดูความคิดให้มันลูกควมคิดมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์และซื้อไม่ได้ขายไม่ได้มีเงินจากหมื่นล้านก็ซื้อไม่ได้เรียนหนังสือจบด็อกเตอร์จากศิษย์ด็อกเตอร์ก็ไม่ได้ไม่รู้สิ่งที่รู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจทำความรู้สึกตว มันจะเข้าไปสู่สภาพเดิมของมันคนทุกคนรลีกใหไม่ได้ที่่าเป็นสัจจะแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผลัคนคงที่ถาวรถึงจะมีผู้รู้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีผู้รู้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าเจ้าสายศิท ธ, ธะโก ม, มาเนี่ยเมื่อพบเห็นแล้วก็มาสอนคน เพราะสิ่งนี้มันขวางหน้าไว้ทุกคนทุกคนต้องออกไปประตูบ้านจริงๆออกทางอื่นไม่ได้มันต้องออกประตูบ้านจริงๆแต่คนจะนอนอยู่ประตูบ้านนี่ได้ไหมนอนไม่นานนั้นเดี๋ยวก็ออกจากประตูบ้านไปจริงๆดังนั้นเสียงรถเมื่อกี้ก็ต้องพูดกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่ได้ฟัง แต่ทุกคนจะมาอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้ต้องออกประตูบ้านจริงๆไม่เป็นวันใดก็วันหนึ่งต้องออกไปประตูบ้านจริงๆดังนั้นควรตายเนี่ยจึงว่ทุกคนต้องแน่นอนที่สุดไม่มีเลยคนจะไม่ตายเนี่ยต้องตายทุกคนควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วอันนั้นแหละคือนิพพานเมื่อมันเข้ากันทุกสัดทุกส่วนแล้วพอดีกันแล้วนั่นแหละคือควรไม่เปลี่ยนแปลงควมไม่แปรผัน อันนั้นแะเรียกว่าสัจจะคือโคมสินพระพุทธเจ้าพบอันนี้เนี่ยจึงนํามาสอนคนอินเดียคําสอนทั้งหมดบรรจุลงที่ตรงนี้ตักบาตรก็ตามรักษาศีลก็ตามไปทําคนสงบก็ตามไปเจริญนิพพานก็ตามเมื่อเราเข้ามาสู่สภาพจุดนี้เรียกว่าเข้าฌานก็ได้ไม่แต่ว่าภาหาระขนส่งก็ได้ไม่ว่าจะเข้าไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ ไม่จะว่ายัางไงก็ได้เพราะมันมีในคนพระเยซูก็สอนคนพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนคนพวกอะไรอะไรสอนคนทั้งนั้นแต่ว่าการสอนมันไม่เหมือนกันคําพูดไม่เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างแต่รู้嘛แต่ความจริงก็อันเดียวนั้นพระเยซูก็หมายถึ ง, งโยมถามโยมอะอายุกี่ปีแล้ว เจ็ดสิบเอ็ดเคยรับน้ำมนต์บ่อยนะบ่อยหลายครั้งไม่บ่อยครั้งบ่อยครั้งกับหลายครั้งอันเดียวกันนะเคยรับน้ํามนต์ไปไปพรมหลายครั้งแล้วหรือยังหลายครั้งหลายครั้งที่นี่ยังแล้วน้ำมนต์หมายถึงอะไรโอ้โอ้ผูกแล้วนี่แหละการทําบุญการทําบุญทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยน้ํามนต์ ไปนมนเอาพระมาทําบุญใช่ไหมสาวพูดต้องนมนเอาพระมาทําพระก็ไปลพูดสอนคนให้รู้ถ้าสอนไม่รู้จะแสดงว่าพระโดยสมมุติถ้าเป็นพระจริงๆต้องสอนให้รู้จักน้ำมนต์เนี่ยมันขังศักดิ์สิเขาเรียกว่าเป็นมงคลถ้ารู้ถ้าไม่รู้น้ํามนต์ก็บางทีน้ําเนี่ยไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคน้ํามนต์ตกไปเราบางทีก็แสบเข้าไป บางทีก็ถูกหน้าถูกตาเป็นบาทเป็นแผลพอได้ไม่เย็นแล้วก็เป็นอปะโมงคนไม่ใช่เป็นมงคลเนี่เขาพูดอย่างนี้นะโมตัสสะพระวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ส, สามจบแล้วก็พุทธังธำมังทุติยมติตติยมปีแล้วก็โย ม, ตตยมก็กเข้าใจเป็นน้มนต์นะต่อไปเขาก็สวดโยจักขุมาโมหะมะลาปะกะโทปายเชิญจบภาเษกวนาไปจอกั แล้วเป็นภาษาบาลีโยมภาษาไทยฟังไม่รู้เรื่องบันนี้อาตมาจะขอแนะนำไม่ใช่จำนะแนะนำให้โยมเข้าใจนโมตสะพระคัมภโตไปว่าขอนบน้อมนบใครนบตัวเราน้อมใครน้อมตัวเรานโมตสะพะคัมภีร์อัลลาห์โตจะไปหาคนอื่นไม่ได้ต้องหาตัวเราไปว่าโชคดีสิที่อาตมาคเคยเรียนอัลลาหโตเปลยผู้รู้ ผู้ตื่นผู้บุกบาโดยธรรมตัศสะพระคัวโตลู้เองเห็นเองเข้าใจเองแล้วก็ตัดสั่วลูชอบโดยพระองเอาโยมกบมือลูรู้สึกไหมวางูเออคนอื่นจะรู้โยมไหมไม่รู้นะเออ t ี i s is t เนี่ยนะโมตัศให้ลูอันนี้แบบ น, นี้พุทธังข้าพระเจ้าถืออภรระเจ้าเป็นที่พึ่งพิ่งตัวเราเพุทธะเปียกุโรใส่ไหม โยมเองจะเป็นพุท ธ, ธะขึ้นมาเองไม่ต้องไปรอคอยใครที่ไหนเหลยโยมโยจะุมมาโมหะมล า, าปะกะโทท่านพระองค์ใดเลยมีพระปัญญาจักสุขจัดมนทินคือโมหะโมหะเปี้ยวขมหลงควมหลงนี่แหละเสียแล้วจัดการโมหะออกเมื่อใดแล้วก็เราก็อยู่ด้วยสติปัญญาก็อยู่ด้วยความสว่างอันนี้เป็นมงคลแท้แทนน้ถ้าเอาน้ําม น, นี้อัตมากระทําให้นะไม่ใช่จะไม่ทำํำ อันนี้มันเย็นผิวนอกอนมันไม่ได้เย็นผิวในกําจัดภัยอันตรายได้น้อยถ้าหากพูดอย่างที่อาจะมาพูดนี่กําจัดภัยอันตรายได้มากดังนั้นทั้งบ้านอาจจะมาเมื่อมีคนตายไปแล้วก็ต้องไปมีมนอพระมาสวดกุตตาลธรรมมาอากุตตาธรรมมาอภยากตาธรรมมาทุกขัยไปเรื่อยไปทีนี้จบแล้วก็โอ้ยมากโยบอเิจ่าบางสกุลหลายอย่าง แต่คนที่สวดกนอย่างไม่รู้และคนที่ฟังคนอย่างไม่รู้ถ้าหากว่าบ้านอาตมานะอาตมาเคยพูดอย่างนี้แต่คนอื่นจะพูดยังไงไม่ทราบแต่สมัยก่อนอาตมาก็ไม่รู้เช่นเดียกันะพ่อตายแม่ตายลูกตายหลานตายหัวตายก็ตัดจิตใจมันเศร้าหมองมันเป็นพวกใช้ไโย ม, มเออก็ไปในมนเอาพระมาปรับความเข้าใจ ทุกคนมันต้องตายอย่าไปวิตกกังวลทำจิตใจล่าเริงเบิกบานให้พระมาปรับความเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมาสวดแล้วเอาเงินเอาคายเอาไปอย่างนั้นอ น, นันตกระทุกแต่มันทุกน้อยเมื่อมาปรับความอย่าไปเป็นทุกตายแล้วก็แล้วไปคิดถึงมันก็เป็นอดีตอนาคตไปเราจะแก้ปัญหาอันนั้นได้ก็ต้องปัจจุบันเท่านั้นคิดมันเป็นทุกคิดอย่างใหคนนั้นคืนมามันก็คืนมาไม่ได้จะคืนมาได้ไหม อ, อยากให้โดนจิจวิญญาณคนนั้นมาเกิดเอาอีกตึมแล้วยิ่งเข้าไปสองเรื่องเข้าไปแล้วมันเป็นสองเรื่องสามเรื่องเข้าไปดังนั้นพระพุทธเจ้าพุทธศาสนานสอนแต่ให้คนแก้ปัญหาตัวเองาศาสนาคิดก็เช่นเดียวกันสอนให้คนเชื้อฟังคำของพระเยซูและเอาไปปฏิบัติตามพระเยซูแล้วก็ความทุกข์ก็จะลดน้อยไปเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราไม่เชื่อฟังคําของพระเยซูและไม่เชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนึกว่าทํำแล้วมันจะขังศักดิ์สิทธิ์มันขังศักดิ์สิทธิ์เฉพาะคนผู้ที่ยังไม่รู้คนที่รู้เข้าใจแล้วไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยเพราะเป็นใหญ่ในตนเอาชนะในตนได้แล้วคนที่ยังเป็นทาสของข่มหลงผิดก็เป็นใหญ่ในตนไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่รู้นั่นเอง ดังนั้นที่สวดให้แล้วอะนโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบแล้วพอจบเดียวก็ได้นะพอแล้วเนี่ยวันนี้พุทธังสันนักษามิทำมังสันนักษามิสังขังสันนักษาณิทุติยามปีพุทธังสันคักษามิทุติยามปีทำมังสันคักษามิทุติยามปีสังขังสันนักษามิ ตาตียํงปีพุทธังสนาคัศมิตาตียํงปีทำมังสนาคัศมิตาตียังปีสังคังสนาคัศมิอันนี้เป็นภาษาบาลียังยังไม่รู้พุทธังสนาคัศมิข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกําจัดทุกกําจัดไัยได้จริงถ้าหากโยมพึ่งตัวเองทำคมรู้สึกตัวเองก็พึ่งตัวเองกําจัดทุกกําจัดไัยได้จริงทำมังสนาคัศมิข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรม เป็นสารณะเป็นที่พึ่งกรรมจัดทุกกรรมจัดไถได้จริงกันเลสังฆังสนักสานี่ข้าพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งกรรมจัดทุกกรรมจัดไถได้จริงไม่ใช่เอาพระสงฆ์อย่างที่ตัวอัตมานี้เป็นที่พึ่งอย่างไม่ได้แนละ้วพระสงฆ์นั่นคือสุปฏิปโนภะวโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระภิกษภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว คือบุคคลผู้ที่ปฏิบัติดีนั่นเองโยเป็นพระสงฆ์อุชุปฏิปโัโนภะวโตสาวกสังโฆสรรง์สาวกของพระพุทธภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติตรงคือบุคคลผู้ที่ปฏิบัติตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองใหญ่ญายยปฏิปโนภะวโตสาวกสังโฆสรรง์สาวกของพระพุภาคเจ้านั้นหมูใดปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว คือเราออกจากทุกข์จริงๆสามิจิตปฏิปโนปะคั ป, โ, ปโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระยุภาคเจ้านั่นบูไดปฏิบัติสมควรแล้วคือปฏิบัติสมควรก็หมายถึงว่าไม่หลงไม่หลงตัวนะโยมจนได้นะ<ศ>คือไม่หลงตัวไม่ลืมตัวนั่นเนี่ย่ว่าสมควรใครมาถามเลยผีคืออะไรผีคือความไม่ดีถามโยมเนี่ยเขาว่าผีคนนี้ขี้โกรธ ที่โลกว่าคนนี้คือผีเคยได้ยินบ้างไหมคนทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีเขาว่าคือผีเคยได้ยินบ้างไหมแล้วโยมเห็นผีบ้างไหมไม่เห็นเพราะโยมไม่มีตาทิพมันก็ไม่เห็นที่ให้มีตาทิพเนี่ยถ้าหากได้ยินโอพิจารณาดูคนทําไม่ดีพูดไม่ดีเขาว่าไอ้ผีถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเออนางนี่คือผีเนี่ยมันคือแต่มันไม่มีตาทิพมันเลยไม่เห็น พระสงฆ์องค์เลงก็ถ้าทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดเนี่ยพระองค์นี่ก็คือผีเนี่ยมันก็ผีทั้งท่านหนึ่งจริงไหม <c oughs> คนใดทําดีพูดดีคิดโอ้นางนี่คือเทวดาเนี่ยแหมอตาคนนี่คือพระธรรมเนี่ยพระธรรมอยู่ที่ไหนเน่ะอันนี้แสดงว่าคนมีตาทิพย์ยังเห็นได้คนมีหูทิพย์ก็เห็นได้มาพูดเรื่องตาทิพย์หูทิพย์ถ้ายมฟังยมก็ต้องเอาตาทิพย์หูทิพย์ ไปไว้กับเนื้อกับตัวโยมก็ได้นะดังนั้นเรื่องตาทิปหูทิปคนที่มันยังไม่รู้ก็ไปอีกอย่างหนึ่งคนมีตาทิปหูทิปผู้ที่รู้ก็ไปอีกอย่างนึงเขาชื่อว่าให้ใส่ปัญญาให้ใส่ปัญญาอาวันนี้ก็มาสวดโยจกุมมาให้โยมฟังอีกสักนิดเดียวนะเพราะว่าจะทำน้ามนต์แล้วก็ต้องทาไปโยจกุมมาโมหามล า, าปะกะโท สามังวัพุทโทสุขะโตยมุตโตมาลัสปาปาษาวิณิโมจญยันโตปาเปสิเทมังสนตังวิเดยังมันยาวนะโยบถ้าจะสวดจะเขยาวนะ เ, นเด็กขันไม่ตรงอันนี้เป็นภาษาบาลีโยบฟังไม่รู้นะบันนี้แปลให้ฟังโยจักุมามโหมหามลาปะโทเแปลว่าท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจาักสุขจักมลทินคือโมหะเสียและโมหะแปลว่าคนไม่รู้นะโมหะเสียสามังวัคุโธสุขะโตยมุตโต คือผู้ที่ไปดีมาดีสเสด็จไปดีแล้วสเสด็จไม่ได้เหาะนั่นอยู่เดินไปดีมาดีไม่ตนหลักตนตอ่อไม่ลงครูลงคลองไม่ทะเลาะผิดเถียงนะ่ะไปดีมาดีหากินซอสทํามเดี่ยวไปดีมาดีไม่ผิดคนเนี่ยแปลว่าไปดีมาดีอันนี้แหละโยมหายเคาะหายกรรมหายเวรได้จริงๆนะถ้าปฏิบัติอย่างนี้รับรองหายจริงๆอนี่ว่าเราไม่เชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็ไปอาศัยน้ำมนตน้ำอันนี้ก็ดีแล้วถ้าน้ำมน้ำอันนี้ดีโยมตักเอาแล้วก็ไปให้ผ้าสวดทุกวันทุกวันก็ได้หรือไม่ไปสวดก็ได้โยมเคยเห็นน้ําที่นี่เคยเห็นทุกวันเอามาไหว้จากสองสมวันตัวยุงไปตอม บาลีไม่ต้องแปลแล้วแบบนี้นะอ๋ะอสัพพีทิโยวิวันตุสัพพะโลโคฉันตุมาเตหวาตุนตรายโยสุขิชยโยโคภะวะภิวันธาณสิเลสังเลจัง จันตานิโนจนัตารนทามาวาทานติยุวันนสุขังาหานานอาดีแล้วดูน้ำมนต์กับขังศักดิ์สิพร้อมด้วยน <c oughs> อันนี้ดีนะเนีทำไมดีจริงๆเนี่ย เรแต่ให้เราวังนันคือเพื่อตึกรดับเพื่อน้น้อยค่ากรานนะแต่ว่าเอาไปเพิ่มน้ํามนลดน้ำดีๆเนี่ยน้ํามนในน้อยเนี่ยสูงมากสบาแต่ลดน้ำเด็นเย็นเนี่ยสบายใแต่วัสายดนี่เป็นยังไงดีนะดู้่เนกิจที่ันสวัดอานนี้เนี่ยเป็นสวัสดิ์แต่ามันคือวานอยู่ในตัารุธกิ้าวที่ทานคือที่มี่น้าทในมากทก ไม่ต้องให้พักดูมาลัเขาแล้วทำไม่ต้องให้พักดูเจ้าของราเราไปเองรอนะใจมี <c ười> ่ห้องแตวาแขกนี่เป็นโรคนโรคน้าโรคที่คุณบิ๊กน้ำแข็โรคฝน้น้ำแข็ง มันเป็นโลกอะไรูปโลกนาำโลกรูปเป็นโลกใจก็สบายค <ฮะ S 1> บางทีโยมอยู่ที่นี่เคยออกมีเกียวกัเป็นบ้างไหม น, น, นี่อันนั้นจิตวิญญาณเป็นโลกรูปสบายไปไหนมาไหนได้อนนเอาเนาะคาว่าจิตวิญญาณเป็นโลกอย่างนั้นจะให้โยมดูมันจริงๆนะดูมันจริงๆจะเห็นโอ้จิตวิญญาณเป็นโลกแล้วจิตวิญญาณเป็นโลกไปที่ไหนไปทุกคติ ท, ทุกขติเป็นอันหวังนลยทุกขติเป็นอันมันได้เดี๋ยวนี้นีเ่เลยมันได้แล้วเนี่ย<ต>ทุก ข, ขติอ๋อกันนั่ น, น เ, เนนละรีบเอาทิ้งทันทีนะนั่นแหละรีบตัดหลวงพ่อพูนตัวพอดีมันคิดไม่พอใจรีบมารู้สึกตัวทันทีที่ในขณะที่โยมไม่รู้สึกเอรู้สึกว่ามันไม่พอใจโยมไม่รู้นะไม่รู้ตัวไม่เห็นจิตเห็งใจจึงว่ามันหนักแล้วจึงจะรู้ขึ้นมาใช่ไหม มันหนักแล้วยังรู้เนี่ยเขาวอาขโมยมันลักเอาของไปหมดแล้วจึงจะมาตามผู้ร้ายมันไม่ทันเลยวันนี้จับปืนไม่จับค้อนจับอะไรอยู่ประตูเลยพอดีโยมผู้รายเข้ามาด้บ้านเอาเละไม่ต้องเข้ามาโยมเขาจะร้จมยมัง ชิ้ใครชิ้นี้ไม่รู้ถ้าโยมปล่อยทิ้นนี้ก็จะมาอาศัยบ้านโยมนอนอยู่โยนเลยค่ะพอดิวัฒน์สนามครับที่พวกเรา มาเจริญสติมาเจริญปัญญาการเจริญสติการเจริญปัญญานั้นเดียวเจริญนิพพานการเจริญวิพพนานนี่มันเป็นขั้นปัญญาไม่ใช่เป็นการรักษาศีลให้ทานหรือการทาสมถกรรมาฐานเหล่านั้นไม่ใช่อย่างนั้น คนเราส่วนมากไม่สนใจเรื่องเจริญสติหรือเรื่องเจริญวิปัสนาจึงเข้าใจหลักพุทธศาสนานี่น้อยเกินไปไม่เข้าใจอย่างแท้จริงเนยจะบวชมาแล้วศึกษาเน้วเรียนพระไตรปิฎดดกก็ตามทุกวันนี้ คนถือพุทธศาสนานั้นไม่ได้เข้าถึงเนื้อแท้ของพุทธศาสนาเป็นเพียงาศาสนาเปลือกๆ เ, เท่านั้นเรื่องการทำบุญให้ทานรักษาศีลหรือทำสมถกรรมฐานนั้นเขาสอนกันอยู่แล้วหรือสอนมาก่อนพระพุทธเจ้าของเรา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 ไม่ได้เป็นการทําบุญให้ทานรักษาศีลเม้เขาทําสมถะกรรมฐานจนได้อารุปสารสมาบัติแปดแล้วนั้นไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าสอนเรื่องทุกทุกคนต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกคําว่าสอนเรื่องทุกนี่หมายถึงอะไรก็หมายถึงสอนให้ไม่มีทุกนั่นเอง ดังนั้นคนเจริญนิพพานานั้นจึงขั้นปัญญาไม่ใช่เป็นขั้นทาบุญให้ทานรักษาจริงขั้นปัญญาขั้นรู้แจ้งรู้จริงและรู้จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่รู้จาไม่ใช่รู้จารู้จักรู้จารู้จักนั้นมันรู้กับเพื่อนพูดให้ฟังหรือจามาจากตำรับตำนา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 ไม่เคยจนเงินไม่เคยจนอะไรทั้งหมดเลยแต่พระเจ้าเข้าใจว่าทุกคือความเดือดร้อนคือความโกรธความโลภ ค, ความหลงนี่เองและความพอใจความไม่พอใจนี่เองพระเจ้าหาวิธีที่จะมาดับทุกเรื่องนี้วันนี้เราก็เลยไปทําบุญให้ฐานรักษาศีลทำกรรมฐานเพื่อให้หมดอย่างนี้แต่มันหมดไม่ได้ พวกเราเคยศึกษาทำมาว่าทางมิใช่ทางเมื่อเราทำดูแลมันยังดับไม่ได้กฎหมายถึงว่าสิ่งนั้นยังไม่เป็นทางดับทุกข์แม้จะศึกษาเราเรียนพระไตรปิฎกจนจบก็ยังดับทุกข์ไม่ได้มันก็ยังไม่ถูกต้องอยู่นั่นเองบบ น, นี้ตรงกันข้ามเมื่อเราไม่ศึกษาเราเรียนพระไตรปิฎกก็ตามหรือ <c oughs> ว่า ไม่ได้ทำอะไรก็ตามตาเมื่อสุดสา้ทางดับทุกข์แล้วอันนั้นถูกต้องวิธีที่ผมจะนำมาพูดในขณะนี้เพื่อทำให้ผมเข้าใจกับพวกเราคือให้มีสติให้มีสติพระพุทธเจ้าท่านสรเสริญเรื่องมีสติเท่านั้นสิ่งอื่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สรเสร์ญเท่าไหร่เพราะว่ามันดับทุกข์ไม่ได้ ความจริงแล้วความโกรธความโลภความหลงนั้นมันไม่ต้องมีเมื่อเราจะหาความโกรธความโลภความหลงจะไปหาที่ไหนเพราะมันไม่มีสมมติฐานมันมันมันไม่มีต้นเหตุมันไม่มีอะไรทั้งหมดเลยสมมติฐานต้นเหตุที่ทำให้ความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นคือเราขาดสติเท่านั้น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 นั่นเป็นอย่างไรดัง น, นั้นคนใดที่ลืมตัวลงไปขณะหนึ่งนั้นเรียกว่าคนว่าคนไม่มีสติคนไม่มีสตินั้นทํา น, น่าเปรียบอุปมาอุปมาว่าเหมือนกับคนตายแต่ไม่ใช่ตายหมดลมหายใจแนะตายจากคุณดีกลมงามมันเนา่ามันเหม็นเหมือนกับอุจจลระร้ายไปปอุจจาะอีกด้วย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 พระพุทธเจ้าท่านสนับเสริญว่าเราบนหนึ่งถือพุทธศาสนาหรือเข้าใกล้กับพบระพุทธเจ้าอย่างนั้นจึงว่ารู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้จริงนั่นรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยญาณสามารถบังคับได้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถมองเห็นสมุทฐานรวมทุกได้รวมทุกนั้น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 พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรามีสติควบคุมเอาไว้เมื่อมีสติแล้วมันสามารถบังคับได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นการพูดแต่วิธีทำนะทําอย่างไรวิธีทำนั้นเรามากําหนดรู้เรื่องรูปนามเมื่อเรากําหนดรู้รูปนามแล้วรูปนามนี่ก็ยังสามารถบังคับไม่ได้ยังไม่รู้สมุฐานคือความคิด นั่นคนเราเป็นคนลืมตัวเกิดมาหลุดจากท้องแม่มาแล้วไม่เคยมองตัวเองเมื่อยังเป็นเด็กเด็กก็มองมานดาอยากกินนมเมื่อเราเติบโตขึ้นมาก็หาของเล่นมองของเล่นเมื่อใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวล้วก็มองคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยคนนั้นรวยคนนี้จน เมื่อเป็นพ่อบ้านแม่เอนมาแมันก็มองถึงลูกถึงหลานมองถึงไลนาอะไรต่างๆี่ปะทาอันนี้ส่วนคนลืมตัวมันนี้วิธีที่ทำง่ายๆอย่างรับบ จะรักษาศีลก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้จะให้ทานก็ได้ไม่ให้ทานก็ได้ไปไหนมาไหนอยู่ที่ใดก็ต า, ามคอยกำหนดจิตใจที่มันปากรดเกิดขึ้นเราต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจตัวปลากรเกิดขึ้นนี่มันหยุดทันทีมันไม่ถูกตึงไป อันนี้มันถูกปรุงไปนั้นมันเข้าหลักอวิชชาเรื่องปฏิจจสมควบาทว่าอวิชชาแปลความไม่รู้คือไม่รู้ความคิดนี้เองไม่ได่ไม่รู้เงินไม่รู้ทองไม่อย่างนั้นอันมันรู้คิดกับมันเห็นความคิดมันคนละเรื่องอันมันรู้คิดมันรู้คิดเป็นเรื่องเป็นลาวไปนั้นมันรู้ความรู้อันนั้น พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าความรู้ของอวิชชาความรู้ของวิชามันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเหมือนกับหนูกับแมวถ้าหนูโผล่ออกมาแมวมันจับเมื่อแมวจับแล้วหนูมันมันกระดิกตัวไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกัน ถ้ามันโผล่คิดขึ้นมาเรามีสติเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความคิดมันไม่ต้องปลูกปรุงไปอันนี้เรืยกว่ามีสติรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทันสอนเอาไว้คนรู้อย่างนี้เป็นยังไงมันไม่มีทุกข์ความทุมมกข์ไม่ต้องมีคือความโกรธความโลภความหลงไม่ต้องมีความอิจฉาลิสยาเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องมี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 อยู่ที่ใจพระนี่พานก็อยู่ที่ใจนี่คําว่าใจนี่มันไม่มีตนไม่มีตัวเราจะไปมองมา่หัวใจนี่มันมันมองไม่ได้คือสําหรับจิตใจที่มันปลากรดมันนึกมันคิดขึ้นมาน้ำสาบซานอยู่ทั่วตัวมันอยู่ที่ตัวไหนไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเพียงเรามีสติมากําหนดควมคิดมันคิดขึ้นมา มันจะคิดยังไงก็ตามแล้วกำหนดรู้ทันทีเมื่อเรากำหนดรู้แล้วความคิดมันหยุดมันก็เลยไม่ได้ปุง่งอันนี้เรียกวิาวชาแปว่าดูแจ้งรู้จริงรู้จักรู้จำรู้อันนี้รู้จริง คำว่าอวิชชาแปลว่าผมไม่รู้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญ ญ, ญาณเป็นปัจจัยเกิดนามลูกนามลูกเป็นปัจจัยเกิดาาอายต น, น ะ, าะอายตนะเป็นปัจจัยเกิดขัตตากัตตาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทานาเป็นปจัจจัยเกิดตัณหา กันหาเป็นไปใจเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นไปใจเกิดทุกก็เลยเป็นซาตเป็นโสก่าเปรตเทวทุกเนี่ยรวมทุกอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราศึกษาหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วศึกษาไม่ยากไม่ลำบากลำบุญอะไรทั้งหมดทุกคนจเจริญได้จะเป็นโนซาตไหนภาษาใด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 เป็นสีเป็นแสงเป็นนรกเป็นสวรรค์เห็นนอกโลกไปอันนั้นคนนั้นก็ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเพียงเข้าใจนึกเดาเอาเองเท่านั้นเองคนจริงธรรมนั้นวิธีที่เราจะรู้จักจริงจรรู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนี้มันต้องรู้เรื่องรูปนาม รูปนามแล้วก็รู้สมมุติมือรู้ทุกขังอันนี้จังอนัตตานี่รู้สมมุตินี่อะไรอะไรสมมุติทั้งนั้นจริงว่ามันมีมากเรื่องสมมติมีสมมุติขึ้นมาเฉยๆแล้วก็สมมุติบัญญัติขึ้นมาแล้วก็มีปรมัติบัญญัติแล้วก็มีอัฐะบัญญัติแล้วก็มีอริยบัญญัตินี่เป็นอย่างรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องรู้ศาสนา พุทธศาสนารู้บาปรู้บุญรู้จริงๆ ร, รู้เรื่องนี้รับรองได้จริงๆ ร, รู้เรื่องนี้แล้วมันเกิดวิปัสนา ว, วิปัสนาแปลว่าอุปกิเกเสวิปัสนาสนาคือกิเลสนั่นแหละตัวกิเลสนั่นแหละคือวิปัสนาลูนั้นลูนี้เป็นลูไม่มีที่สิ้นจบ